บทนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปอนาปานาสติในเจตุกะที่สามนั้นทรงแสดงให้บุคคลตั้งสติระลึกและสำเนียกไปโดยลำดับดังนี้ประการแรก ให้กำหนดรู้จิตของตนหายใจเข้ากำหนดรู้จิตของตนหายใจออกคำวมารู้จิตนั้นหมายถึงการเพ่งพินิษดูจิตในขณะนั้นๆว่าจิตของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรมีราคะหรือว่าไม่มีราคะมีโทสะคือความรูุ้ร่ายทางใจ เป็นความหงุดหงิดความไม่สบายใจความไม่ยินดีหรือการกระทบกระทั่งหรือประกอบด้วยฝ่ายที่เป็นกุศลได้ธรรมเช่นเมตตากรุณาเป็นต้นดูจิตว่ามีโมหะหรือไม่มีโมหะเป็นต้นการดูในลักษณะนี้บุคคลจะต้องตั้งสติเป็นตัวระลึกอยู่ที่จิต เมื่อจิตมีความเปลี่ยนแปลงไปก็ระลึกได้ทันตามความเปลี่ยนแปลงของจิตในขณะนั้นๆซึ่งจะเห็นได้ว่ากําลังของสมาธิคือความสงบจะต้องเป็นปัจจัยสนับสนุนมากพอสมควรเพราะทำมาอย่างนั้นแล้วสติจะเกิดขึ้นในช้าลลกรู้จิตในขณะนั้นๆได้ช้า ความเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้นเมื่อบุคคลกําหนดรู้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตแต่ละขณะก็ให้ปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนั้นๆเช่นยามใดที่เห็นว่าจิตยังตกอยู่ในฝ่ายของกิเลสซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความดิบตกกังวลในขณะปัจจุบัน หรือการที่จิตเป็นเหนียวนึกถึงเรื่องราวในอดีตหรือแม้แต่การไขว่คว้าในอนาคตใ น, ในลักษณะเช่นนี้ท่านก็สอนให้สงบจิตจากความคิดเหล่านั้นพยายามให้มาอยู่กับจิตที่เป็นปัจจุบันให้ได้แม้อาจจะเป็นการพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามแต่จะต้องพยายามดึงกลับมาให้ได้ ในบางกรณีจิตตกไปในสภาพที่ไม่พร้อมไม่มีชั้นทะความพอใจในการบําเพ็ญเพียรทางจิตจึงอาจจะภาวนาไปตรงหลงลืมลืมเผลอพลาดไปเรื่อยขาดความตั้งใจขาดความเพียรขาดความพอใจท่านก็สอนให้พยายามปลุกปลอบใจของตนเองให้เกิดความกล้าหาญ ที่จะต่อสู้กับอำนาจของอารมณ์อันปรากฏในขณะนั้นๆให้ได้ถ้าหากว่าลำพังตนเองนึกไม่ได้หรือความกล้าแข็งของจิตใจไม่เพิ่มขึ้นก็อา จ, จะรำลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจา้าที่ได้ต่อสู้กับอำนาจของกิเลสมาเป็นนั้นมากในระยะเวลาที่พระองค์บำเพ็ญเพียรเพื่อสัสรุ ฤดูปฏิปทาของพระอริเจ้าทั้งหลายซึ่งว่าที่จริงท่านก็ประสบปัญหามาเช่นเดียวกันพระบางรูปเช่นระดับพระโมคคัลลานะเทระซึ่งเป็นอันดับสามรองลงมาจากพระพุทธเจ้าแต่ในชั้นของการปฏิบัติจริงๆบางโอกาสบางขณะ ท่านก็ถูกความดหดขู่ความเครือบเคลิ้มความง่วงนอนเขาครอบงับพยายามต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านั้นจนในที่สุดต่อสู้ด้วยลาพังตัวเองไม่ได้แก้ทางของจิตไม่ตกพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องไปสอนอุบาทยวิธีที่จะแก้ความง่วงให้เป็นต้นจึงจะเห็นได้ว่าผลทั้งหมดในทางพระศาสนานั้น จำเป็นจะต้องมีชันทะความพอใจกล้ามีวิริยะคือความเพียรที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอซึ่งพระอาหารหันต์บางรูปในสมัยพุทธกาลนั้นพอถูกความง่วงครอบงมเข้าท่านไม่รู้จะทำยังไงก็ผ้าไปชุบน้ำมาวางไว้บนศีรษะเพื่อจะให้ความเยือกเย็นเหล่านั้นช่วยบรรเทาความง่วงให้เป็นตน้น นี่ก็เป็นอุบายยวิธีที่จะปลุกปลอบจิตซึ่งกำลังหดถู่กำลังเคลื่เคลมกำลังท้อถอยเนื่องจากความไม่พร้อมในขณะนั้นประกาศ เ, เนื่องจากเห็นว่าปฏิบัติมานานแล้วไม่เห็นมันสงบอะไรขึ้นมาก็เลยท้อถอยสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งถ้าหากว่าไม่พยายามปลุกปรอบจิตเอาไว้ในลักษณะนี้ อาจะเปลี่ยนแปลงเป็นความไม่เชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นความไม่เชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าไปได้ซึ่งผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องพยายามปลุกปลอบใจให้เกิดความกระหายพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะปฏิบัติต่อไปและมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความเชื่อมั่นในพระธรรมในพระพุทธเจ้าแต่ว่าบางโอกาสนั้น จิตได้ดำรงอยู่ในครองแห่งสมาธิคือตัวสติตั้งระลึกอยู่เฉพาะที่จิตเท่านั้นไม่ได้ไปในที่อื่นซึ่งการที่สติปรากฏอยู่ระลึกอยู่เฉพาะที่จิตหรือบางคราวอาจเป็นปัญญาพิจารณาเห็นความจริงแห่งนามรูปปรากฏขึ้นในกรณีของความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ หรือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีก็สงสอนไว้ในระดับที่สองคือทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าทำจิตให้บันเทิงหายใจออกคำว่าบันเทิงนั้นเป็นการสืบเนื่องมาจากปีติปราโมทย์ที่เป็นผลของสมาธิดังนั้นความบันเทิงจึงเกิดขึ้น มาจากเหตุปัจจัยสองประการประการแรกเกิดขึ้นมาจากกำลังของสมาธิที่เริ่มต้นมาเพียงคณิกะสมาธิคือจิตที่มีความสงบได้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ยอมก่อให้เกิดความบันเทิงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลคณนั้นและทำให้เชื่อมั่นว่า ตนเองสามารถสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นได้และแท้ที่จริงแล้วความสงบก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีความสงบที่บุคคลสามารถสร้างขึ้นได้อีกเป็นนั้นมากจึงพยายามทำใจให้บันเทิงให้เกิดความกล้าหาญต่อแต่นั้นความยินดีในสมาธิก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยลำดับ ทำให้ความเพียรพยายามเพื่อจะสัมผัสผ ล, ผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นจะเป็นระดับของอุปจารสมาธิเป็นระดับของอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยลาดับจนถึงจิตใจที่แน่แน่สาเหตุได้เกิดความบันเทิงอีกประการหนึ่งนั้นคือแทนที่จิตจะหยางลงสู่ความสงบ แต่ปัญญาเกิดปรากฏมองเห็นนามรูปเด่นชัดขึ้นมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของนามรูปตามหลักของประจัยลักน์ความบันเทิงใจก็จะบังเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเสริมความบันเทิงใจในจุดนั้นให้สูงขึ้นมองดูความเปลี่ยนแปลงแห่งนามรูปเท่าที่ปรากฏในขณะนั้นๆซึ่งการจะปรากฏในลักษณะใด ก็เป็นเรื่องของบุคคลและอารมณ์ในขณะนั้นเ่นว่ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามหลักของอนิจจังก็บันเทิงอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วพยายามขยายความเข้าใจความรู้ในนามรูปออกไปเพืออาจจะบันเทิงในรูปของเห็นความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเป็นลักษณะของทุกขตา ก็พยายามขยายความรู้สึกให้กว้างไกลออกไปในจุดนั้นน้อมนึกระลึกรู้ในอารมณ์เหล่านั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นความบันเทิงอาจจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยการน้อมนึกพิจารณาให้เกิดความภาคภูมิต่อตนเองเช่นว่าการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นของได้โดยยากเราก็ได้แล้ว การฟังธรรมซึ่งฟังได้โดยยากเราก็ฟังแล้วการมีชีวิตอยู่สามารถปฏิบัติสัมผัสคุณแห่งพระตนะตรัยได้เราก็มีชีวิตอยู่และได้ปฏิบัติจนสัมผัสคุณของพระตนะตรัยแล้วการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าซึ่งถือกันว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากก็เกิดเราก็เกิดมาในยุคในสมัยที่พระพุทธศาสนาปรากฏจุดแล้ว ก็จะเป็นการเพิ่มภูมในส่วนของความยินดีในทรมให้สูงขึ้นความบันเทิงใจในความสงบและในความรู้ก็จะขยายวงออกไปดังที่เคยกล่าวมาแต่ก่อนว่าเวลาปฏิบัติเข้าจริงนั้นแม้เราจะน้อมนึกในรูปของสมถกรรมฐา น, ฐานแต่บางคราวปัญญาแก่เกิดแก่กล้าขึ้นแก่ปรากฏมาในรูปของวิปัสสนา เราก็พิจารณาในรูปของวิปัสสนาเพราะเป็นกรรมาฐานเหมือนกันและความบันเทิงก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นทั้งจากความสงบและทั้งจากความรู้ซึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อสัมผัสในจุดนี้ได้ก็พยายามทําให้จิตใจมีความบันเทิงยิ่งยิ่งขึ้นเพิ่มชั้นทะวิริยะให้สูงขึ้นในอารมณ์ที่กําลังประสบจุ ประการที่สามนั้นทรงแสดงว่าพึงสาเียกว่าเราจาักทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าจักทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกในกรณีนี้หมายความว่าจิตได้อย่างลงสู่ความสงบตามหลักของสมถกรรมฐานเหมือนกับบุคคลที่ขับรถไปบนถนน ไม่มีปัญหาอะไรก็ประคับประคองไปเพียงเล็กน้อยรถก็แล่นไปโดยสวัสดิ์การปฏิบัติสมาธิเมื่อจิตดำเนินมาถึงจุดของความสงบก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อความสงบปรากฏขึ้นบุคคลก็สำเนีกรู้ว่าความสงบปรากฏเกิดขึ้นแล้วและพยายามปฏิบัติสืบต่อไปเพื่อเพิ่มพูนความสงบ ที่ยังให้เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่การปฏิบัติในชั้นนี้บางครั้งบางคราวจิตก็จะแหบบออกไปจากทางแห่งความสงบเพราะว่าเป็นลักษณะของความสงบแบบลูกโคที่ถูกพรากมาจากแม่ใหม่ๆจิตใจกองแกยัง ปรารถนาที่จะอยู่กับแม่จึงมักจะเหลียวไปหาแม่อยู่เรื่อยๆถากไว้เชือกซึ่งอุปมาเหมือนสติขาดลูกโคคือจิตก็จะวิ่งกลับไปหาแม่ในกามาแม่ในที่นี้หมายถึงอะไรคือกรรมคุณต่างๆซึ่งปกติทําให้บุคคลเพลิดเพลินเรืองหลงอยู่ในอารมณ์นั้นการพยายามตั้งจิตให้ตั้งมั่น จึงต้องเป็นความพยายามที่สืบต่อไปเรื่อยๆแล้วอย่าปล่อยให้ปีติท่วมทับจนถึงกับสูญเสียความสงบออไปในช่วงนี้เป็นเรื่องของการประคองประคับประคองจิตใจซึ่งต้องอาศัยธรรมะที่เข้ามาประกอบดังกล่าวคือสติความเพียรและสัมปชัญญะ มีลักษณะเหมือนประคองภาชนะที่เต็มด้วยน้ําซึ่งว่ากันตามความจริงก็ประคองยากแต่ทหารก็องค์ประกอบต่างๆมีสมบูรณ์การที่จะประคับประคองไม่ให้ภาชนะน้ําน้ําในภาชนะกระเจาะออกไปก็ทําได้ซึ่งแน่นอนว่าใหม่ๆก็ทําได้ยากแต่เมื่อฝึกปรืออบรมกระทาให้มากแล้ว ก็อาจที่จะกระทําไปได้ดียิ่งๆขึ้นมาถึงช่วงที่สี่นั้นทรงสอนให้เปรื้องจิตหายใจเข้าแล้วก็เปื้องจิตหายใจออกคำว่าเปรื้องจิตในที่นี้หมายความว่าในยามใดก็ตามที่อกุศล ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของนิวรณ์ทั้ง5ประการเพราะสมถกรรมาฐานนั้นเป็นอุบายวิธีที่จะสงบนิวรณ์หประการเท่านั้นซึเมื่อปฏิบัติไปถึงสงบนิวรณ์หประการได้กิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ตาม ก็ไม่อาจที่จะครอบงมจิตใจของบุคคลได้เพราะนิวรณ์ทั้งหาประการนั้นก็คือโลภโกรธหลงซึ่งมีลักษณะความเข้มข้นไม่รุนแรงจนถึงออกมาทางกายกับทางวาจาเท่านั้นเต่เมื่อคุมได้ไว้ที่จิตอาการกายวาจาของบุคคลก็จะเป็นศีลไปกิเลสประเภทที่ละเอียดกว่านั้นจึงเรียกว่าอนุสัยก็เกิดขึ้นครอบงำใจไม่ได้เพียงแต่สงบอยู่ในที่เด ในกรณีนี้ก็ต้องอาศัยข้อที่หนึ่งซึ่งกล่าวมาแล้วคือกําหนดรู้จิตด้วยหมายความว่าต้องรู้จิตในขณะนั้นๆว่ามันเป็นยังไงเช่นว่าจิตตกไปในเรื่องของการม่สันสายไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจ <c oughs> ก็ต้องพยายามเปลื้งจิตออกการเปลื้องจิตนั้นก็คือการใช้หลักของอสุภัส มองให้เห็นความไม่สวยไม่งามของสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นการมองในแง่เดียวในมุมเดียวแต่ว่ามองสิ่งนั้นเองเพิ่มปัญญาให้สูงขึ้นมองความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นให้ชัดเจนก็จะเห็นว่าสิ่งที่ใจไปกําหนดหมายว่าสวยว่างามนั้นโดยสภาพที่แท้จริงแล้วก็ไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลเป็นนั้นมาก ก็จะบรรเทาการมอาชันลงไปได้ยามใดที่จิตตกไปในอำนาจของความไม่พอใจความไม่ยินดีความมาฆาาความโกรธความหงุดหงิดเป็นต้นก็พยายามเจริญเมตตาจิตในวัตถุในบุคคลเหล่านั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ยินดีไม่พอใจด้วยการกระทบกระทั่งปริมาณของเมตตาที่เพิ่มขึ้นที่สูงขึ้น ก็จะทำหน้าที่สลายความรู้สึกอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจเป็นต้นยามใดที่จิตตกเข้าไปสู่ถีนมิทะคือง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมเ ง, ง, งาเงาก็พยายามเพิ่มความเพียรให้สูงขึ้นความง่วงก็จะหายไปยามใดที่จิตตกไปในสู่ของความฟุง้งซ่านสะสายไปในอารมณ์ต่าง ทั้งที่ไกลทั้งที่ใกล้ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตก็ตามซึ่งบางครั้งก็สายไปจนกําหนดทิศทางไม่ได้ก็ให้สงบใจจากอารมณ์เหล่านั้นเรียว่าตัดกระแสะความคิดแต่เนื่องจิตเนื่องจากจิตยังต้องคิดก็ให้หันมาระลึกอยู่ในจุดคืออารมณ์ที่กําหนดระลึกในขณะนั้นเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้น ยามใดที่จิตเกิดความเครือบแครงเกิดความสงสัยไม่แน่ใจขึ้นมาในจุดใดจุดหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็ดีประธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นก็ดีนั้นก็ใช้หลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือาการทำไว้ในใจด้วยอุบานแยบคายพิจารณาในจุดนั้นให้ไปจักแก่ใจ โดยอาศัยเงื่อนไขหลักการวิธีการต่างๆที่เหมาะควรแก่กรณีนั้นๆเช่ น, น, นคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าจะต้องไม่ทิ้งฐานคือพระพุทธเจ้าศัสรุคําว่าศัจสรุนั้นเป็นคําที่พิเศษเกิดขึ้นแก่คนที่ปฏิบัติได้อย่างพิเศษเหตุผลบางอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจะใช้สามัญสํานึกไปคิดไปนึกไปตัดสินใจไม่ได้ ก็ เ, เป็นวิสัยของท่านผู้จัดสรุดีจัสรู้ชอบด้วยตนเองเหมือนการจะวินิจฉัยการกระทําของบุคคลบางพวกที่ได้ฝึกปรือจนชำนิชํานาในเรื่องนั้นๆแต่ว่าเรากลับทําไม่ได้แล้วก็จะมาตัดสินเอาง่ายๆว่าไม่มีคนอื่นก็ทําได้ก็ไม่ถูกต้องพก็แต่ละอย่างเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ที่ได้รับการฝึกปรื้รับการอบรมมาในเรื่องนั้นๆเมื่อเราอาศัยฐานที่สำคัญคือไม่ทิ้งฐานในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สัจสุรีสัจสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วปัญหาบางอย่างที่สุดแก่การอย่างรู้ได้เราก็ยกให้เป็นพุทธวิสัยคือเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าไป ใจก็ไม่ต้องไปเครือบแคลงไม่ต้องไปสงสยัยไม่ต้องไปลังเลอยู่ในเรื่องเหล่านั้นอีกต่อไปแม้ในเรื่องพระธรรมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแล้วกเกิดขึ้นได้ไบ่อยๆก็พึงใช้หลักเดียวกันคือหลักของโยนิโสม น, นัสิกะแต่ว่าดังเคยกล่าวมาแล้วว่าบางครั้งจิตมันหยั่งไปสู่วิปัสสนาแทนที่จะสงบแต่กลับไปใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงไตรลักษณ์ แต่ก็ตั้งหลักไม่ค่อยได้คือบางทีก็เห็นแว บ, บหนึ่งแต่บางทีก็ไม่เห็นไปเลยถ้าในกรณีนี้บุคคลต้องรู้ว่ามีสิ่งที่ปิดบังเอาไว้ซึ่งจะต้องเปิื่องสิ่งเหล่านั้นออกสิ่งที่ปิดบังมาให้บุคคลเห็นใจรักนั้นก็มีอยู่สี่อย่างเนื่องจากเป็นการกําหนดหมายซึ่งคลาดเคลื่อนจากความจริงอย่างแท้จริงของบุคคลนั้นนั่นเอง ได้แก่การไปกำหนดหมายสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามดังนั้นตรงนี้ตัวสุภาสัญญาคือการกำหนดหมายว่าสวยงามเป็นการปิดบังเขาไว้ก็พยายามเพิกสิ่งเหล่านั้นออกคือการกำหนดหมายว่าสวยป็นงามออกแล้วมองในแง่ที่ไม่สวยไม่งามดังกล่าวแล้วซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเย็นแก่การจะ ก, กำหนดปินิพจน์ เพราในกรณีนี้ถ้าไม่สามารถจะดูที่กายคนอื่นได้ก็ดูที่กายตนจะน้อมนึกถึงซากศพต่างๆจนกระทั่เห็นกันอยู่เป็นประจำประการต่อไปก็คือเรื่องของทุกข์อันนีจังคือความไม่เที่ยงที่มันสิ่งที่ปิดบังเอาไว้คือทําให้คนมองเห็นไม่ชัดนั้นท่านเรียกว่าสันตติคือการเกิดสืบเนื่องกันไปของสิ่งเหล่านั้น ในการพินิพิจารณาเพื่อเจะเพื่อก็คือตัดการเกิดสืบเนื่องออกดูว่าสมมติว่าเช่นน้องแม่น้ำํำไหลไหลลงมาเราก็ดูเป็นแม่น้ําอยู่ตลอดเลยซึ่งว่าตถิจริงน้ําที่ปรากฏในขณะนั้นกับน้ําที่ปรากฏในขณะหนึ่งเป็นคนละน้ํากันน้ําที่ปรากฏขณะก่อนนั้นได้ไหลเลยไปแล้วแต่เนื่องจากอาการที่มันเกิดสืบเนื่องกันเราก็มองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อแยกสันตติคือการเกิดสืบเนื่องออกไปก็จะเห็นได้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ตลอดแต่เป็นการดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับเป็นลนักษณะเหมือนคลื่นในมหาสมุทรแกซัดขึ้นฝั่งกันมาไม่รู้สักกี่ล้านปีแล้วแกก็ซัดอยู่อย่างนั้นเป็นอาการของสัน ต, ติเฉยๆขึ้นลูกเก่าพอกระทบฝั่งก็ดับขึ้นลูกใหม่กระทบฝั่งก็ดับขึ้นลูกใหมก่ ก, หมก็ตามมาก็ดับอีก แต่พวกก็เกิดดับเกิดดับอยู่ได้เรื่อยๆเพราะมีคลื่น ท, ท, ที่ทยอยกันมาโดยลําดับไม่ได้ขาดสายสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเป็นของเชื่องก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะมีอาการของสันติหรือการเกิดสืบเนื่องปิดปังเอาไว้ก็เพิกสันตติหรือเรื่องสันตติออกไปอิริยาบทคือการผัดเปลี่ยนอริยาบทต่างๆจะนั่งนานปวดเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนลุกไปนอนหรือเปลี่ยนเป็นอริยาบทอย่างอื่นไป ก็ทำให้ทุกข์ไม่ปรากฏแก่ใจของบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน ด, ดังนั้นถ้าหากว่าต้องการจะทดสอบว่าความทุกข์ทรมานนี้มันมีมากมายอย่างไรก็ อ, อ จ, จะอยู่ในอิริยาบทใดอิริยาบทหนึ่งดูแล้วความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุกขเวทนาทุกขที่เราต้องเสวย่นปวดเมื่อยเป็นต้นก็จะปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัด ใจของบุคคลก็จะเห็นตามความจริงที่ท่านแสดงไว้ว่าโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีคนอะไรเป็นเรื่องของทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับและสิ่งที่บุคคลจะต้องเปลืองเพื่อจะมองเห็นความเป็นอนัตตาแห่งธรรมและสังขารทั้งหลาย แห่งไทม์ทั้งหลายได้ชัดเจนก็คือการเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มของสิ่งเหล่านั้นมีการกําหนดมีการบัญญัติกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นรถเป็นเรือนเป็นบ้านก็พยายามกําหนดใจแยกส่วนต่างๆเหล่านั้นออกไปก็จะเห็นถึงความเป็นจริงว่าแท้จริงแล้วรถเรือนบ้านคนสัตว์เป็นต้นนั้นไม่มีอยู่อย่างแท้จริง แต่เป็นการเกาะกลุ่มของสิ่งต่างๆมีคันธาตุอยายตนะเป็นต้นแต่การปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนเช่นนี้พึงเข้าใจว่าถ้าว่าจิตเดินมาไม่ถึงก็เป็นเรื่องแล้วกันไปแต่ถ้ายามใดที่จิตเดินมาถึงในจุดนั้ น, น, นก็ให้ปฏิบัติโดยนิยะดดังที่กล่าวมาแล้วการที่ทรงจำแนกแบ่งเป็นจะตุ ก, กะนั้น ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าจตุกาแรก4ี่ข้อก็คือเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกแนวหนึ่งเจตุกาที่สองสีข้อก็คือเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเจตุกะที่สมที่กล่าวไปแล้วนั้นก็คือเรื่องของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกแนวหนึ่งนั่นเองเมื่อปฏิบัติในจุดนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน แต่เป็นการแสดงโดยนิยะหนึ่งโดยปริยายหนึ่งโดยอศาศัยฐานคือเริ่มต้นมาจากอาณาปานาสติกรรมฐานเมืม่อบุคคลปฏิบัติผ่านมาถึงขั้นตอนใดก็พึงสํานึกระลึกรู้และปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่ขั้นตอนเหล่านั้นก็จะเป็นการเพิ่มความสงบความประนิตความสะอาดความเยือกเจน็นแห่งจิตได้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น ตามสมควรแก่กา ร, รปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป